หัวข้ออุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงเราจะมองไม่เห็นว่ากายใจมนุษย์มีค่าเพียงใดจนกว่าจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมของพวกภูมิอื่นนั้นใช้เล่นเกมด้วยการสะสมคะแนนดีชั่วไม่ได้เท่าไรหรือไม่ได้เอาเลยดังเช่นกายใจของเหล่าสัตว์นรกถือกำเนิดขึ้นด้วยมหารตะอากุศล เป็นไปเพื่อเสวยทุกเผ็ดร้อนท่าเดียวกายใจของเหล่าสัตว์เดรัจฉานถือกำเนิดขึ้นด้วยมหาอากุศลเป็นไปเพื่อหมกจมอยู่กับสิ่งศกดร์กและการโตรเวนเหม่อลอยกายใจของเหล่าเปรตถือกำเนิดขึ้นด้วยอากุศลเป็นไปเพื่อความรุ่มลุ่มดอนดอนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในทุกติภูมิเป็นของชั้นเลว มีขึ้นเพื่อรับบทลงโทษเป็นหลักหรือในทางตรงกันข้ามอีกขั้วหนึ่งกายใจของทวยเทพพยายดาถือกำเนิดขึ้นด้วยมหากุศลเป็นไปเพื่อสวยทิพยสุขและความรื่นเริงสำราญอันวิจิตกายใจของพระพรหมถือกำเนิดขึ้นด้วยมหคตากุศลเป็นไปเพื่อวิเวกสุขอันพ้นวิสัยกามและตั้งมั่นนาน รวมแล้วอุปกรณ์เล่นเกมกรรมในสุขติภูมิเป็นของชั้นดีมีขึ้นเพื่อรับการตกประวัลเป็นหลักคราวนี้ย้อนกลับมาดูกายใจของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกันบ้างกายใจของมนุษย์นับว่าอยู่ในขอบเขตของสุขติภูมิเพราะสภาพแวดล้อมไม่เร่าร้อนเหมือนนรกไม่ส ก, กรปรกเหม็นหืนเหมือนที่อยู่ในรัชฉาน แล้วก็ไม่แปรปรวนเหมือนแหล่งเร่ร่อนของเปรต ด, ด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แสนสุขแสนเพลิดเพลินเหมือนสวรรค์ของเทวดาและพระพรหมมีความลําบากให้ต้องใช้กําลังใจบาเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เอะอะก็ในระมิตรทุกสิ่งได้ตามใจเหมือนในสวรรค์เมื่อกําลังใจในการทําดีมีมากกําลังบุญก็จึงพลอยมากเป็นเงาตามตัว กายใจมนุษย์แข็งแรงและมีความมั่นคงสม่ำเสมอเพราะคุมรูปอยู่ได้ด้วยหลายปัจจัยที่แข็งแรงทั้งบุญเก่าๆทั้งอาหารและอากาศใหม่ๆท่าดินน้ำไฟลมที่มารวมประชุมกันเป็นรูปมนุษย์นี้มีความลงตัวด้วยสัสดส่วนเหมาะสมจึงใช้งานได้นานพอควรอย่างน้อยก็มีเวลาพัฒนาจิตวิญญาณสั่งสมบุญบารมี ตลอดจนเลือกหักเหเส้นทางกรรมได้ทันก่อนที่ตัวอุปกรณ์จะถึงเวลาเสื่อมลงและเมื่อเป็นของดีขนาดนี้ก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนราคาแพงเป็นธรรมดากล่าวคือกว่าจะมีอุปกรณ์เป็นกายใจมนุษย์เพื่อพร้อมเล่นเกมใหม่ได้ในแต่ละชาติก็ต้องรวบรวมของหายากต่างๆมาให้ครบได้แก่ต้องบุญถึง เพราะถ้าบุญไม่ถึงวิญญาณก็มาเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้หรืออยู่ในท้องได้แต่ไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกหรือมีโอกาสลืมตาดูโลกแต่ก็ต้องตายซะก่อนจะรู้ความต้องอาศัยท้องแม่เกิดแตกต่างจากสัตว์ในภพภูมิอื่นที่อาจฟักตัวจากไข่หรือเกิดจากเท่าใครสกปรก หรืออุบัติขึ้นเต็มรูปโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมช่วยหากขาดบุญสัมพันธ์หรือขาดความเหมาะจะมาเกิดกับพ่อแม่คู่ไหนเลยก็ต้องรอต่อไปก่อนกายต้องเริ่มจากเล็กเมื่ อ, อยังเล็กจึงต้องพึ่งพาคนอื่นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หากไม่มีใครช่วยก็ต้องตายไปต้องมีใครคนหนึ่ง หรือลหลายคนคอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาในช่วงต้นใจต้องเริ่มจากไม่รู้ทุกคนเริ่มต้นจากการไม่เข้าใจอะไรเลยพูดไม่เป็นภาษาและทำอะไรไม่ถูกสักอย่างหากบุญเก่าไม่มีเวลาให้พอจะโตขึ้นเอาตัวรอดและเรียนรู้ได้ในสภาพของความเป็นมนุษย์ก็เท่ากับเกิดมาศูนย์เปล่า ไม่มีโอกาสสั่งสมบุญอันใดเพิ่มเติมได้แต่มาเบียดเบียนคนอุ้มท้องและคนเลี้ยงดูให้ลำบากเท่านั้นจากข้อเท็จจริงต่างๆข้างต้นจึงควรทำให้คุณเห็นชัดว่ากายใจมนุษย์เป็นอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการได้มาในแง่ของการหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโตและในแง่ของการรักษาไว ให้ได้ตลอดรอดฟังจนกว่าจะถึงซึ่งอายุไขตามธรรมชาติไม่มีส่วนใดในความเป็นมนุษย์เลยที่เป็นของราคาถูกสรุปคือคุณกำลังอยู่ในเกมกรรมโดยมีอุปกรณ์การเล่นที่ส่งพลังสูงสุดอยู่ในมือโจทย์สำคัญก็แค่ว่าคุณจะใช้มันไปทำอะไรเท่านั้น จบบทที่สอง